ด้วยการรับฟังธรรมบรรญายจากพระคุณเจ้าซึ่งนั่นก็ตรงกับมงค ล, ลสูตรข้อหนึ่งที่ว่ากาเลนะธรรมัตสวรรังการฟังธรรมตามการเพื่อแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักความจริงความดีงามและเรื่องที่เป็นประโยชน์ตามคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในวันนี้พวกเราได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากพระอาจารย์ปราโมทปาโมโชแห่งสวนสันติธรรมศิริราชาจังหวัดชนบุรีซึ่งท่านได้กรุณามาเป็นองค์ปารถกในวันนี้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 แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระราชสมภ พ, พนะครับเราก็จะมีการบวงสวงของพระองค์ท่านก็หลังจากที่มีการบิบัติธรรมก็ขอท่นานจะทำทั้งหลายนะครับได้ช่วยภาวนาสุนจิตกุศทรนอกจากถึงผู้ที่มีพระคุณของเราแล้วก็ได้ลึกถึง6ทมเด็จเป็นนางเจา้าสุนันทาคุมาเรลัพ ด, ด้วยนะครับวันนี้นะครับที่จริงแล้วกระผมเองก็ได้ให้ดรบรรจบนะครับด้านได้กรุณานะครับนิมนต์หลวงพ่อไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ แต่ก็ทราบดีครับว่ากิดนิมบนของท่านมากแต่จริงๆแล้วผมเองก็ได้ไปตามนะครับของท่านตอนที่ท่านอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับไปที่นั้นสองครั้งในตอนนั้นที่เริ่มต้นที่สำนักสงฆ์อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไปที่ศรีราชาซึ่งก็ด้วยนะครับด้วยความเมตตาของท่านอาจารย์ประเยาวศักดิ์ศรีหรือท่านอธิการบดีเก่าที่อดีตที่นี่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 มัถูกอาจจะถูกวัจริตของเรานะครับก็ได้ฟังเทพท่านทางศร่อเองท่านมาตลอดแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยราชภัสุน์นท์าซึ่งเราก็เ้าเข้ามาเป็นปีที่เจ็ดสแล้วปีหน้าเราก็จีมีการเฉลิมฉลองในการครบรอบเจ็ดสปี83ดพรรษาของพระองค์ในหลวงเราเราด้วยและขณะเดียวกันก็เป็น151ปีของวังสวนุวนธานะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของญาติธรรมที่อยู่กรุงเทพมหาคนครนะครับได้มีโอกาส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 คนที่ไม่สันโดษในคู่ของตัวเองก็ต้องวุ่นวายมากต้องโกหกต้องหลอกลวงนะเกิดรถไฟชนกันก็ลําบากอีกหรือคนพูดเท็จก็ลําบากคนพูดเท็ต้องจํานะต้องใช้ความจํามากเลยเสียหน่วยความจําไปเกือบหมดแล้วชีวิตเนี้ยนะเอาสมองไปใช้กับความจําพูดกับคนนี้โกหกไว้อย่างนี้พูดกับคนนี้โกหกไว้อย่างนีนนน้เวลาสองคนมันมาเจอกันจะต้องโกหกแบบที่สามจะทํำยังไงจนะ ต, ต้องเกิดสินธิสิธิ์เสได้นะ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 ถ้าอยากปฏิบัติทำแบบง่ายๆนะใจมีความสุขก็รู้ทันใจมีความทุกข์ก็รู้ทันใจเฉยๆก็รู้ทันฝึก อ, อย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าคนไหนขี้มโมโหมีคนไหนขี้มโมโหบ้างมีไหมไหนขอชมโมพวกเด็กๆมีไหมขี้มโมโหนั่งข้างหลังโน้นมีไหมคนไหนขี้มโมโหบ้างนะผู้หญิงขี้มโมโหมากกว่าผู้ชายนะ่ตามสถิติ ด, ดูจากข้างหลังนะพวกผู้ชายขี้เกียจไม่ยอมยอกมือนะ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 ได้เลยครับตรงกลางนะครับไมโครโฟนคือขาตั้งของด้านนั้นเรียนเชิญครับก่อนจะถามหลวงพ่อหลวงพ่อถามก่อนพวกเราในห้องเนี้ยเมื่อกี้ใครใจลอยบ้างเมื่อกี้ใครลืมตัวเองบ้างนะแป๊บเดียวพอหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บ ล, ลืมตัวเองไปหมดเลยนะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่อะไรยากๆนะรู้สึกตัวป่อย รู้สึกตัวบ่อยๆมันจะเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานถึงมันนึงก็เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตหนึง่งนั่นรู้สึกบ่อยๆใจลอยนั่นแหละศัตรูเบอร์หนอ้าเชิญกับนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะวันนี้ตั้งใจมาส่งการบ้านแล้วก็มาขอรับคำแนะนำเรื่องวิหารธรรมแล้วก็การปฏิบัติอย่างไรให้ก้าวหน้าถามมันเดียวนะ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 คิดมากมากกว่าคิดมากนะเด่นกว่าถูกต้องตอบได้หรื อ, อยังว่าควรจะดูอะไรดูจิตก็ดูจิตเหรอแม่ตอบด้วยตัวเองก็ได้เห็นไหมเออเนี่สอนแบบทันสมัยนะให้นักเรียนคิดเองแ ล, แล้วอีกข้อนึ่งล่ะว่าอะไรถามอะไรนะเ อ, อจะให้เจริญก็คือทํำยังไงถึงจะก้าวหน้ามากกว่านี้ให้ให้ก้าวหน้านะก็มีสตินะมีสติรู้สึกทันใจของเราเรื่อยๆถ้าเรามีสติเราจะมีศีล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 าว่าตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วทำยังไงดีก็ <c oughs> <c oughs> รู้ว่าตื่นเต้นคะ่ะเห็ไม่ตอบได้อีกค น, นะ <c oughs> ละเราจะถามอะไรอตอบได้หมดนะห น, หนูไม่ทราบว่าหนูติดสภาวะทําทอะไรอยู่บ้างไหมคะอยวเไปประคองใจให้นิ่งนะ <c oughs> แล้วคอยรู้ทันเวลาใจเราขุนมัวขึ้นมาคอยรู้ทันนะ <c oughs> ใจเราฟุ้งสั้นคอยรู้ทันรู้สึกไหมเราฟุ้งเก่ง <c oughs> รู้สึกค่ะน่าจะใจเราเป็นคนฟุ้งสั้นเก่งเพราะมันฟุ้งไปเราก็รู้ฟุ้งไปเรารู้ไม่ห้ามไม่ฝืน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 ความปวดความเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึง่งจิตใจที่ไปรู้ความผวความเมื่อยก็เป็นอีกสิ่งหนึง่งค่อยๆแยกไปด้วยขอบคุณเจา้าการหลวงพ่อตื่นเต้นรู้สึกไหมฟังหลวงพ่อไม่ค่อยรู้เรื่องรู้สึกไหมมันตื่นเต้นนะ <c oughs> เอาละสีเล่นเก้า e อี้ดนตรีละอย่าถึงขนาดตบต <c oughs> ีกันนะกาับนมัสการหลวงพ่อค่ะ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 อดีตนั้นผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้ <Okay. S 2> แต่พอเราพิคิดขึ้นมาจิตเศร้าหมองให้มีสติรู้ว่าจิตเศร้าหมองนะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆ <Okay. S 2> แล้วก็รู้ด้วยความเป็นกลางอย่าอยากหายถ้าอยากให้หายเศร้าหมองอยากให้จิตดีมันจะไม่ดีหรอก <Okay. S 2> เพราะความอยากเป็นกิเลสไม่ทำให้จิตดีขึ้นหลวงพ่อท่านละที่ทาอยู่เป็นยังไงบ้างคะก็ด <C'> ีเองนะ ดีเลยค่ะหลวงพ่อยๆคือฟังแผ่นเสียดีหลวงพ่อแล้วก็ไม่เคยทําคือไม่เคยไปปฏิบัติที่หลวงพ่อเลยน่าสังเกตไหมล่ะเราเห็นใจของเราเองได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นรู้สึกไหมใจเราสบายขึ้นโป่งโล่งเบาขึ้นดูออกไหมออค่ะนะความทุกข์มันเริ่มลดลงลดลงรู้สึกไหมค่ะมันเริ่มสั้นลงค่ะนีติหละฝึกไปดีขึ้นแล้วล่ะค่ะขอบพระคุณค่ะถ้าฝึกปฏิบัตินะความทุกข์จะสั้นลงเรื่อยๆความทุกข์จะเบาลงเรื่อยๆ กับน้ำมศกาลหลวงพ่อครั บ, ร อ, ครบ อ, อคือส่งการบ้านครั้งที่แล้วครับหลวงพอ่อบอกว่ายังไม่เป็นกลางแล้วก็ยังเพ่งอยู่ครับหลวงพอ่อก็ดีขึ้นแล้วล่ะครับแล้วก็มีครั้งนึ่งครับหลวงพอ่อมันไปเห็นสภาวะที่มันแบบว่ามันเป็นแบบว่ายิบๆครับมันยิบๆแล้วมันก็อึดอัดะครับหลไวงพ่อไหวยิบๆหน้าอย่าจงใจดูถ้าจงใจดูมันจะอึดอัดครับนี่ยดูไหวยิบๆไปเหมือนดูอะไรอย่างหนึ่ง แต่อย่าถลําลงไปจ้องครับดูห่างๆครับหลวงพ่อแล้วพอมันยิบยิบแล้วครับรัวใจมันเกิดตัณหาขึ้นมาครับไอ้ตัวยิบยิบนี่มันจะแบบแรงขึ้นนะครับใช่ถูกต้องแล้วห้ามมันไม่ได้หรอกนะรู้ด้วยความเป็นกลางอย่าถลําลงไปจ้องขอวิหารธรรมหลวงพ่อครับที่ฝึกอยู่ใช้ได้ไปดูต่อไปขอบคุณมากครับกล่านามสกุลต้อค่ะหลวงพ่อก็ คือว่าได้ลองฟังซีดีอ่ะค่ะแล้วก็ลองฝึกดูใจตัวเองบางทีเราจะบอกว่ามีความสึกเหมือนแบบเราคิดอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งแล้วเรารู้ทันมันอืเราก็เราก็จะคิดต่อแบบมไม่ใช่คิดตรงจุดนั้นต่อแต่เหมือนจะมีอีกคนหนึ่งที่คิดคิดกับจุดนี้แทนเราใช่แล้วบางทีมันมันก็จะหายไปบางทีก็จะถลำลึกลงไปออดีที่รู้ทันนะเขารู้อย่างนั้นแหละเรียนรู้อย่างนั้นแหละถึงวันนึงเราจะเห็นความจริงเลยว่าจิตใจมันทํางานของมันเองนะ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 ให้คอยรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆเล่นหายใจไปแล้วอุย้ยเนี่ยหลงไปจิตละนะก็รู้ว่าหลงไปจิตคอยรู้ทันใจตัวเองหายใจแล้วก็คอยรู้เล่นๆไปนะ<ข>อย่าไปตั้งใจรู้แรงนะเดี๋ยวไม่หลับถ้าเกิดถ้าเกิดไม่สนใจลงหายใจก็หลับไปเลยใช่แต่ว่าหลวงพ่อไม่ห่วงหรอกว่าคุณจะนอนไม่หลับหน้าทางหลับเก่งเอาเลยคืะ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 ตอนนี้ยังติดเพ่งอยู่หรือเปล่าคะน้อยลงไปเยอะแล้วรู้สึกแม่ใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เยอะขึ้นถ้าจิตเพ่งอยู่นะใจเราคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันไหวเยอะขึ้นใช่นั่นแหละดีเราต้องการเห็นอนิจจังนะออแม้ให้มันไหวไปแล้วเราตามดูแต่นี่มันจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเวลาเข้าไปดูอากุศลและจิตนะคะมันจะมีความรู้สึกว่ามันมันทุกข์ใจมันบีบคั้นเยอะมากไม่รู้แทนใจที่ไม่ชอบ S <S นะรู้ทันใจที่ไม่ชอบไปอ๋ที่มันบีบคั้นเพราะว่าใจเราไม่ชอบมเมืปฏิเสธ<ช>ความจริงที่กําลังเป็นอยู่ความจริงที่กาลังเป็นอยู่คือจิตมีอกุศลถ้าเมื่อไหรเราปฏิเสธสภาวะที่กําลังเป็นอยู่นะความทุกข์มันจะเกิดขึ้นถ้าจิตเป็นอกุศลแค่รู้ว่าเป็นอกุศลนะความทุกข์ยังไม่มีมมีอย่างหนึ่งเวลาโยมดูความรู้สึกทางจิตเนี่ยฮะจะมีความรู้สึกว่ามันมีตัวหนึ่งที่มันมีความรู้สึกว่าเรายึด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 ฐานของจิตนี่ไม่ทราบว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วแต่อารมณ์ของสถานสถานทั้งสี่ที่เราจะเป็นใช่ใช่มันเปลี่ยนตลอดน่ะไม่ได้ตื่นฐานของจิตไม่ใช่ว่าอยู่ที่ฐานที่ก้นที่ต้องเพ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่นะแต่เดิมเราฝึกเอาฐานนันเดียวก่อนเช่นมารู้ลมหายใจจิตนี้ไปจากลมหายใจแล้วก็รู้ทันอย่างเงี้ยในสุดรู้ทันจิตขึ้นมาจิตก็ตื่นเึ้นมา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 ภาวนาได้ดีคุณนมัสการพราจารย์ค่ะหนูว่าหนูคลําควรรดลงค่ะลดลงรู้สึกไหมใจเราเข้มแข็งขึ้นค่ะมาเรียนกับหลวงพ่อะนะหลวงพ่อไม่ปล่อยให้คล่าควรนะเสียเวลาแต่หนูว่าหนูตอนนี้หนูเห็นว่าหนูอัตตาสูงค่ะดีที่เห็นแต่ก่อนสูงแต่ไม่เห็นคือเมื่อกี้ยกมือก็เห็นอัตตายกตามดีที่เห็นภ<ะ>าวานานเริ่มเป็นแล้วล่ะ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 เห็นร่างกายเคลื่อนไหวแบ้คือตอนนี้ดูกายแทนใช่ไหมคะ<ช>เพราะใช่พระอาจารย์เคยบอกให้หนูดูจิตเพราะหนูเป็นคนฟุ้งซ่านน่อตอนนี้จิตเราเริ่มตั้งมั่นแล้วโอเคถ้าดูกายบ้างใจมันจะมีแรงมากกว่านี้โอเคขอบคุณค่ะอ๋อหนูขอถวายการปฏิบัติให้กับพระอาจารย์นะคเออโมทนาสาทุชอบที่สุดเลยนี่ฟ้าร้องเลยดีใจถวายการปฏิบัตินมรกการหลวงพ่อนะครับ คำว่าสติใช่เป็นเรื่องของการที่ความรู้ของกายและใจมันรวมลงมาตรงกลางเอา ไ, ไม่ไม่จําเป็น<ช>้ึงขนาดนั้น<ม><ม>นะสติเป็นแค่รู้ทันเท่านั้นเองเช่นรู้ทันว่ากําลังหายใจออกรู้ทันว่ากําลังหายใจเข้ารู้ทันว่าพยับหน้าเห็นร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันว่าโลภโกรธหลงอะไรเนี้อคุณเวลาเราตามดูจิตปุ๊บสักครู่หนึ่งเนี่ยมัน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 นั่งสมาธิมาประมาณสี่เดือนเนี่ยมีบางครั้งที่รู้สึกเหมือนกับว่าเราดูกายเราหายใจอยู่อันนี้ถูกต้องย่างนั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ว่าอยากขอความรู้หลวงพ่อเรื่องอินรีสังวรอินสีสังวรเนี่ยหมายถึงว่าเมื่อตามมองเห็นรูปนะความยินดียินร้ายเกิดที่จิตเราคอยรู้ทันหูได้ยินเสียงความยินดียินร้ายเกิดที่จิตให้เรารู้ทันจมูกได้กลิ่นลนได้รสกายสัมผัสใจมันชิด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 <l acht> ร่างกายเป็นคนทํำนะรเราจิตใจเราไม่ได้ทําใช่ไหมร่างกายไปชกเขาก็ช <l acht> ่างมันให้ร่างกายมันไปติดคุกมันไม่รับจริงป่ามันไม่รับไม่ได้เใช่ไหม <l acht> อย่าไปคิดอย่างนั้นนะกายกรรมมโนกรรมวาจีกรรมมีผลทั้งสิ้นแหละครับผมขอบคุณพระอาจารย์มากค ร, ารครับครๆวาดชศพนะเคยจําเรื่องกรรมบันทิดได้ไหมฆ่าคนนะเอาดาบฟันคนเนี่ถือว่าผ่านไปในอนุช่องว่างของอนุไม่ได้ฆ่าใครไม่บาป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 อิเลสพามาเอาแล้วว่างไงว่าไปเลยเปกติถ้าเกิดหนูจะดูจิตก็จะชอบดูจิตที่หนีไปคิดว่าเป็นคนคิดมากอย่างนั้นก็ใช้ได้ได้แ ล, นะแล้วใช่ไหมคะต่อไปนี้ก็พยายามรู้สึกร่างกายให้เพิ่มคิดนิดนึงนะสัง <c oughs> เกตไหมใจเราไม่ค่อยมีแรงค่ะ <c oughs> แต่มันเบาๆอ้อยๆอ้อยหยิ่งเรื่อยๆเปื่อยๆไปนะ <c oughs> พยายามรู้สึกร่างกายมากขึ้นหน่อยใจจะเข้มแข็งขึ้นร่างกายขยับขยื่นอะไรอย่างนี้ใช่ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะค่ะ <c oughs>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 รู้สึกไหมใจฟุ้งซ่านเห็นไหมนั่งตัวนั่งอยู่ที่นี่เห็นไหมใจหนีไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยรู้ทันบ่อยๆนะอ้าวว่าไปกลับมาเทศกาลพ่อพระอาจารย์เจ้าค่ะเออคือจะเรียถามเกี่ยวกับเออก้อนี้ที่เป็นคนโมหะโมหะจริตนะฮะแล้วก็การจ ะ, ะปฏิบัติวิธีไหนจะเหมาะนะคะโมหะเราก็กระตุ้นมันหน่อยนะใช้ร่างกายเนี่ยอย่าง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 ยถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสาคารังเอวเมวาอิโตทินังเพตาหนังอุปกปติอิชิตตังปฏิตังทุมหังชิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยถามณนิโชติลาโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชนตูสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คาโยโกภวะ อภิวาธนาศีลิสนิจังมุทภาจายิโนจ ต, ตารธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่ออนุโมทนากับท่านพิการนะนะครับผู้บริหารทุกท่านมีสายตาที่ยาวไกลยามนำธรรมะมาสู่นักศึกษาสู่สังคม